พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งสองลำดับที่ส4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27สธันวาคม2559หมีชื่อเรื่องว่าเช็คงบดุลความดีอ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้พระ ในวัดของเราตามที่แผ่นกระดานรายงานพระเวรรายงานพระทั้งหมด43รูปวันนี้พระในวัดของเราวันนี้เป็นวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2559ก่อนที่หลวงพ่อจะลงไปกรุงเทพหลวงพ่อได้บอกว่าอึง้ง เดี๋ยวหลวงพ่อลงไปกลับขึ้นมาจะบอกให้ลูกหลานได้ทราบว่าไปที่ไหนบ้างนะพอหลวงพ่อลงไปตั้งแต่วันที่23วันศุกร์ที่23่สลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมพระเนรหลวงพ่อไปขึ้นเครื่องอุดรลงกรุงเทพแล้วก็พักที่กรุงเทพวันที่วันศุกร์นะวันที่24ไปฉันอยู่ที่ ศูนย์การค้าอะไร F P I อ s l นด์อะไรนะเออให้ลูกหลานลูกหลานฟังเอาแล้วก็แล้วกันตรงไหนวะ <c oughs> โอ้คนเยอะนะใต้ห้องประชุมใหญ่เลย <c oughs> เยอะมากๆจัดอาหารตรงนั้นก็โหพอแรงเหมือนกัน <c oughs> แต่มันอยู่ชั้นห้านะรถมันวิ่งขึ้นไป เหมือนกับวิ่งวิ่งกลมกลมขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นห้าแต่ลูกหลานพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพไปมากแล้วก็มีการแสดงธรรมสองสององค์หลวงปู่เจริญจังหวัดราชบุรีองแสดงธรรมองค์แรกติพันธ์พระเถ ร, ระผู้ใหญ่ แต่เนี่ยเขาก็ให้นิมนต์หลวงพ่ออีกเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อได้นั่งเป็นองค์ที่ห้าหองค์ที่หกก็อยากจะฟังเทศหลวงพ่ออินถวายเขาว่างั้นอ่ะพอท่านเทศจบหลวงพ่อโอ้หลวงปู่ท่านก็เทศหมดทุกอย่างแล้วนี่จะให้หลวงพ่อพูดอะไรอีกว่าเขาก็ยังไม่ขยับจัตถายาดโยมก็ยัง แน่นอย่างเก่าหรือเอาหลวงพ่อก็เลยเทศผู้ที่ติดตามเฟซหลวงพอ่อโงจะรัวหลวงพ่อเทศอะไรนะวันวันเสาร์ที่ยนะี่สิบสี่ธันวาคมหนะ้าเก้าแล้วก็กลับมาที่สวนแสงธรรมแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์สุดท้าย ของเดือนที่ทำบุญถอดผ้าป่าสามัคคีที่สวนแสงธรรมอันนี้ก็โหคนเยอะมากเลยมากกว่าทุกครั้งนะมากขึ้นเรื่อยๆพอคงจะเกี่ยวกับปีใหม่ด้วยนะพอวันที่ยี่สิบาแล้วกัวันที่หนึ่งมกราก็เป็นวันปีใหม่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็เลยไปทำบุญเพื่อรับพรปีใหม่ กับคณะสงฆ์ที่สวนแสงธรรมเพราะนั้นจึงคนจึงเยอะมากกว่าทุกครั้งที่ไปมานะแล้วก็วันที่ย6สพระตอนบ่ายวันที่25ห้านะหลวงพ่อก็ไปนน่นเอาไปจังหวัดราชบุรีไปอำเภอสวนพึ่งไปในนามของลูกศิษย์อาจารย์คมขำของเรานี่แหละราชินูทิเนี ท่านได้ไปจัดการจัดงานเป็นบ้านสวนว่าไปเห็นแล้วก็เป็นผู้มีจิตใจมองไกลทั้งสามีภรรยาคู่ของเขาและก็หมูพกเพื่อนอเลี้ยงรุ่นกันอกีกไปเขาก็จัดเป็นผ้าป่าถอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสมทบส่อม วัดของเราที่น้ำท่วมเลยล่ะเพราะอาจารย์คมขำได้บอกกล่าวหมูพพกเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาวมรุ่นร่วมรุ่นกันฮะก็ทอดผ้าป่าที่วัดผาพระจันทร์พระอะไรนะพระจันทร์หอมไร่พระจันทร์หอมจังหวัดอาเภอสวนเพึ่ง จังหวัดราชบุรีจนันัร์หลวงพ่อก็กลับมาอีกมาพักที่สวนแสงธรรมอีกแล้วก็วันเสาร์วันจันทร์วันจันทร์ก็มาฉันที่จิตโภชนาปาคเมื่อวานเสร็จแล้วก็ไปทาธุระไปพบผู้ใหญ่ทางจังหวัดชนบุรีจากนั้นก็กลับมาขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิไทยสมัยเมื่อวานนั่ง เครื่องไทยสมัยมาถึงอุดรก็ประมาณสัก่มก ว, กว่าก็ได้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและกัทีมของท่านทั้งรองผู้ว่าทั้งรองสุชัยทั้งท่านผู้ว่าทั้งน่านัา่นแหละหลายคนมามอบเอกาสารเกี่ยวกับพระองค์เจ้าสิริพา ท, ที่ท่านตอบจดหมายที่หลวงพ่อได้ กาบทูลท่านเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์องค์หลวงตาว่าไปถึงไหนแล้วนะท่านก็เลยเป็นจุดหมายเปิดพนึกนท่านผู้ว่าท่านก็อ่านให้ฟังอ่านในพวกคณะทีมได้ฟังทุกคนนะจากนั้นก็ท่านก็มอบให้หลวงพ่อพวกพ่อ ก, กลับมาถึงวัดเมื่อคืนในประมาณสามทุ่มสมทุมนาทีนะลูกหลานนะดึกพอสมควร แต่ถึงยังไงกลางคืนมันเยอะทุกวันขนาดหกโมงยังไม่สว่างนะนี่แหละที่หลวงพ่อไปไปเมื่อวันแรกก็ได้แสดงธรรมที่ศูนย์การค้าเปสันไอแลนด์บทที่สองกับเทศแสดงธรรมที่สวนแสงธรรมแล้วก็ไปแสดงธรรมที่ราดพรุแล้วก็ วันที่เมื่อวานแสดงธรรมที่จิตโภชนะปากสรุปแล้วก็คือสีกันนะไปแสดงความคิดเห็นให้ลูกให้หลานได้ฟังศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่านะแต่ลุงพ่อไปแสดงธรรมไปพูดไปกล่าวณสถานที่ใดก็เป็นแนวความคิดให้พวกเราได้ฟัง ได้ศึกษาตามแนวแถวของพุท ธ, ธะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์ในลึกซึงในพระธรรมคำสอนอย่างไรลึกซึงในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรลึกซึงในเรื่องภาวนาจิตตภาวนาที่ตนเองได้สัมผัสในความรู้ส่วนตัวื เขามาเปรียบเทียบกับพระธรรมคําสอนครูบาอาจารย์แล้วก็เปรียบเทียบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นหลวงพ่อก็เลยนํหลายหลายแนวที่ได้ประสบาการณ์ทั้งธรรมคาสอนของพุทธธรรมคาสอนครูบาอาจารย์ทั้งได้ยินได้ฟังจากเรื่องราวต่างๆที่หลวงพ่อเกิดมานานอายุถึง72ปีกว่าเนี่ยในป โสดพบเห็นเรื่องอะไรเห็นเรื่องอะไรได้ฟังเรื่องอะไรทั้งได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสและกระจคิดในเรื่องนั้นๆจะเป็นประโยชน์อย่างไรหลวงพ่อก็ได้นํามาประยุกต์มาก็มาบอกมากล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาการกรองไตร่ตรอง ตรอง้วยเหตุและผลแต่หลวงพ่อไม่ได้ติดประทับประทับตราว่าหลวงพ่อเอ็นพูดออกไปแล้วต้องเชื่อเท่านั้นหลวงพ่อก็าไม่ได้ประทับตราถึงขนาดนั้นแต่ไม่ให้เชื่อเช่นเลยก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะเป็นสิทธิ์ของพวกท่านแต่หลวงพ่อเป็นผู้ชี้นาชิ้แนะให้ฟังานเองเดินอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจ มั่นใจขนาดไหนหลวงพอ่อมั่นใจเกินร้อยที่พูดออกไปแล้วคิดว่าไม่ผิดนะหลวงพ่อจึงพูดถ้ามันจะผิดมันจะทําให้เสียหายหลวงพ่อจะไม่พูดจะไม่แนะนำํำท่าวัาดแต่ผ่านมาแล้วรู้มาแล้วอได้ศึกษามามาแล้วจึงได้นํามาทำมามาบอกมากล่าวให้กับผู้ได้ยินได้ฟังแต่ละแต่ละวันแต่ละเรื่องนะ ก็ขอให้พวกเราติดตามดูสิว่าจริงไหม้าไม่จริงตรงไหนบอกมาทาไม่จริงฟังดูแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ฟังดูแล้วทำแม่งทำแม่งไม่ไปตามหลักธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วไม่เห็นผลเนี่นแหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้บอกมาหลวงพ่อยึดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าดูกรสารีบุตร ที่เราตถาคตตรัสไปในพูดไปนี่เธอเชื่อไหมอันะอนี้พวกเราฟังเอาไว้นะหลวงพ่อก็เดินตามแนวแถวนี่แหละเดินตามแนวแถวของพุท ธ, ธนะเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนําไปคิดอนําไปกันกรองไตรายตองด้วยสติด้วยปัญญาของเราถ้าวาฟังดูแล้วดูแล้วถ้ายังไม่เข้าใจอยูน่นะทิ้งไปก่อน วันต ว, วันไหนเมือม่อเมื่อมีโอกาสนำมาหยิ บ, ยบมาคิดอกีกการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลเองต่อไปภายภาคหน้านะั้นสติปัญญาเป็นของพวกท่านเองไม่ใช่ของหลวงพ่อแนะลหลวงพ่อเป็ น, นเพียงผู้ชี้นาชี้แนะให้ฟังเนี่ยนะหลวงพ่อพูดช่วงนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเกี่ยวกับในหลวงของเหาเนอะ ลูกหลานคณะจตหาญาจมเพราะพระองค์ท่านเป็นร่มท่านเป็นร่มโพร่มไสของพวกเราท่านได้โรง่งรวยไปตามอายุสังขารได้สวรรคตสวรรคาลัย <c oughs> พวกเราที่อยู่เบื้องหลังจะอยู่เป็นประศกในกรได้ ท, ทําบุญทำพะทานได้ทําคุณงามความดีอะไรประกอบคุณงามความดีอะไรกัขอน้อม ถวายเป็นพระราชฎุกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งทุกคราวเนะคณะสัทายาญาิโยมลูกหลานเนอะอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้ไปที่ไหนก็ได้พูดจุดนี้แล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่เป็นปีใหม่สากลโลกพอโลกเขายกว่าวันที่หนึ่งม ก, กราไม่ว่าประเทศไหนส่วนประเทศแต่ละประเทศ ของตนเองนะนั้นเป็นส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นส่วนตัวเมืับวันเกิดส่วนตัวลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้วันเกิดของประเทศก็เป็นวันเกิดอีกวันหนึ่งวันที่สิบสามเมษาเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันสงกรานอันนี้คือเป็นวันของประเทศอันนี้เป็นวันของโลกนะก็คือวันที่หนึ่งมกรา อันไหนวันไหนสาคัญก็สำคัญทุกวันนันนะถ้าว่าพวกเราทำความชั่วความชั่วก็สาคัญในตัวของเราถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็สำคัญในตัวของเราเราจับน้ำแข็งวันวันไหนมันก็เย็นวันนั้นถ้าจับความจับไฟเมื่อไรตรงไหนมันก็ร้อนเมื่อนั้นเพราะนั้นสำคัญไหมหาวันซะก่อนยังค่อยจับไฟมันไม่ร้อนอย่างนั้นใช่ไหม ทดลองดูก็แล้วกันนะอถ้าจับไฟแล้ววันไหนมันกนไม่ว่าละในที่รับไม่ว่าในที่แจง้งไม่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขมันร้อนทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันความชั่วความชั่วนะเปรียบเหมือนกับไฟความชั่วนะเปรียบเหมือนกับไฟความดีเนี่ยเปรียบเหมือนน้าแข็งน้ําแข็งก็เหมือนกันถ้าเราทํากรรมดีเเมื่ อ, อไร่ ไม่ว่าทิจจนาคารพุทธพระหัตไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าวันเกิดของตัวเองมันเย็นทางนั้นแหละนี้ก็เหมือนกันพวกเราให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคืออะไรคือการกระทาถ้าเราทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าเราทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรเพราะนั้นให้เชื่อกรรมในหลักของพุท ธ, ธะนะเพราะนั้นให้พวกเราให้ทบทวนดู หลวงพ่อบอกวันถึงจะสิ้นปีใหม่แล้วนะถ้าว่าเราทำมาค้าขายไม่ว่าขายข้าวขายมันขายอะไรก็ตามห้างสรรพสินค้าเรื่องวัดว า, าศาสนาของเราก็เหมือนกันต้องทบทวนดูว่าปีสองห้าอห้าสิบที่จะผ่านไปนี่เราขาดทุนกำไรอย่างไรอันนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่ยงกว่า เจ้าของบริษัททางร้านหรือเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการเจ้าของกิจกรรมผู้รับผิด ช, ชอบจะรู้ได้ว่าขาดทุนกำไรอย่างไรรูอ้จอู้ทุนในการดำเนินกิจการของเราทุกด้านอันนี้ก็คือการทบทวนนะเพราะมันจะสิ้นปีต้องงบดุลนะงบงบดุลในการดำเนินชีวิต ดำเนินในเมือ่อดำเนินกิจการการทามาค้าขายนี่แหละพอท บ, ทบทวนดูแล้วเราก็รู้ได้ว่าตัวนั้นกำไรตัวนี้ขาดทุนตัวนั้นอยู่ตัวเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องหาเหตุอีกเพราะเราขาดลูกน้องที่รับผิดชอบหรือว่าเราฉลาใจเกินไปหรือว่าเศรษฐกิจโลกเขาตกต่ำยังไง มันมีหลายสาเหตุทีนี่เออเราก็ต้องหาเหตเุพอหาเหตุจบแล้วทีนี่เราก็ต้องอปีสองพันห้าร้ยหกสิบเนี่ยที่จะถึงนี่เราจะเอาเราจะเดินตัวไหนจะเป็นตัวนำหน้าเป็นตัวก ำ, กำไรเออเราก็ดูอีกทีนี่นี่แหละอันนี้คือพอค้าเออการทํามาค้าขายต้องได้คิด อดีตแล้วก็จะเดินไปในอนาคตอันนี้คือผู้ที่จะดำเนินเป็นพ่อค้าผู้ที่จะหวังความเจริญในการดำเนินกิจการงานหาเงินคำทรัพสมบัติเข้าสู่ตระกูลเข้าสู่บริษัททางร้านของตัวเองในพวกเราท่านทั้งหลายมันมองแต่เรื่องกิจการงานภายนอกลืม มองดูกิจการภายในของตนเองพิจการภายในของตนเองคือตัวของข้าพเจ้าเองที่มายืนอยู่จุดนี้นะปี 2,559 เนี่ยจะย่างเข้าไป 2,560 เนี่ยกิจการของเราการกระทำของเราในปี 2,559 เด้วเอาเถอะปีก่อนๆเราไม่ว่ากันปี 2,558 57 ไม่ว่ากันเอาห้าสิบเก้านี่แหละที่เราพอจะละเลิกได้เราคิดดูซิว่าเราได้คิดอะไรไปบ้างเรามกมุ่นไปในเรื่องการมักเกล็ตลอดเว ล, เวลาอย่างนั้นใช่ไหมปันดีไหมหรือเรามีอารมณ์โมโหโกรธหาโกรธให้คนตลอดเว ล, เวลาอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเราหลงในงมงายว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย จะอยู่โช่ฟ้าดินจะลายตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราคิดยังไงในใจของเรามันหนักไปทางไหนหนักไปหนักไปทางกิเลสราคะเรื่องหนักไปทางกิเลสโลโทะเรื่องหนักไปทางกิเลสโมหารุ่มหลงว่าตัวเองจะอยู่โช่ฟ้าดินจะลายตายไม่ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เราก็ทบทวนดูทบทวนดูตัวของเราแนวความคิดเนี ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านเองเหมือนกันตัวนี้ลึกลึกมากตัวนี้ไม่มีใครที่จะยั่งถึงได้ตัวนี้มันเป็นตัวของเราเองเราไม่มีใคร ท, ที่จะรู้ยิ่งตัวกว่าตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนเองเออนี่แหละอันนี้คือเราทบทวนในความคิดนะมันไปทางไหนถ้ามันไปทางต่ำเราก็ปีที่แล้วนี่ยกาไรขาดทุนอย่างย่อยยับ มันมีแต่คิดเรื่องมกมุนไปทางเรื่องการาคะตลอดเรื่องกิเลสตัณหาแล้วก็มีแต่ความโมโหโกธาผูกพยาบาทอาฆาตใครต่อใครตลอดเวลาแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเลยปีห้าสิบเก้านี่มีแต่เรื่องตกทุกข์ได้ยากเรื่องไม่เป็นเรื่องมารุมมาตุ่มเข้ามาในจิตใจของเราขาดทุนปลดปียอยับ อันนี้เราก็รู้แก่ใจเราก็วางมองไปอีกอเอาเอาเถอะ เ, อเราจะต้องมองการกระทำของเราเองเอในปี2559ห้ารห้าสิเ้าราทำความชั่วอะไรบ้างเราได้ฆ่าสัตว์ที่จะเถื่อนใจเรามีอะไรบ้างเราได้ขโมยทรัพย์ของเขาไหมเราได้ประพฤติผิดในลาะบล ะ, ละล่วงในสามีภรรยาคนอื่นไหม เ, เรา ไม่เคารพจิตสามีภรรยาของตนเองใช่ไหมมีอะไรบ้างเราโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขามีอะไรบ้างเรากินเหล้าเมาหัวลาน้ำจนเป็นที่ตำหนิติชินเดนทาของคนดื่มคัญชายาฝิ่นเฮโรอิ น, นขายยาบ้ายาม마ทำให้คนอื่นมอมเมาทาให้คนอื่นเสียหายกับเรามีไหมเราทาผิดศีลน่ะ ศี่ห้าข้อเน่ยข้อไหนที่เราทําผิดมากกว่าเพื่อนทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอีกทบทวนอีกเหมือนกันนะทบทวนความความชั่วในการกระทํำตั้งแต่สี่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่ห้านะจินกายส่วนวาจานี่กันเอาเถอะเมื่อการกระทําของเราอาทินนากาเมมุสาการอาทินอาทินนากาเม กระสุราเนี่ยสี่ข้อ่อนข้อที่ห้าเนี่ยมุสามุสาคำนี้คือแค่ว่าเราจะไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเราจะพูดเป็นวาจาสุภาษิตการอยู่ด้วยกันปีสองพ้าอห้าสิที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราปีนั้นแ่ะมาถึงวันนี้เราทำให้ใครกระเทือนใจด้วยวาจาของเราบ้าง เราได้ดุดาว่ากาวพ่อแม่ไหมเราได้จ่วงจาบครูบาอาจารย์ไหมเราได้แสดงอากัปกิริยาต่อวัยวุฒิขุณวุฒิหรือผู้เกี่ยวข้องไหมหรือในสามีภรรยาเราทำให้สามีของเรากระเทือนใจทำให้ภรรยาของเรากระเทือนใจทำให้ลูกของเรากระเทือนใจมีไหมทุกคนให้มองดูตนเองว่าเราได้กทำให้พ่อแม่กระเทือนใจ ทำให้สามีภรรยากระเทือนใจให้ครูบาอาจารย์กระเทือนใจทำให้ลูกศิษย์ลูกหากระเทือนใจไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเองอีกเพราะนั้นให้พวกเราทบทวนดูในเมื่อเราทบทวนเราเห็นทั้งสในเรื่องความคิดก็ดีเออมันเป็นยังไงมันมกมุ่นยังไงในใจของเราและกัการกระทำของเราเออมันเสียหายอย่างไรและกัการพูดของเรา มันเสียหายอย่างไรในสามีภรรยาครอบครัวของเราเอาเถอะเมื่อเรารู้แล้วว่าทั้งสามทวารคือมโ น, โนทั้งกายทั้งวาจาปี2560น้ี่ข้าพเจ้าจะเดินอย่างนี้ก็วางแผนของตนเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นปีที่แล้วนี่ข้าพเจ้าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกความชั่วข้าพเจ้าใช้ยึดหลักทำคาสอนของพุทธก พระพุทธองค์ท่านบอกว่าความชั่วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมันเกิดขึ้นมาจะเป็นทางใจก็ดีทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีท้งสามทวารเนความชั่วทั้งสามทวารหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดมันจะจะเกิดจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะมันมีหนึ่งเพราะนั้นเราจะรีบละเสียตั้งแต่บัดนี้ เราจะไม่ต่อเติมอีกตั้งแต่บัดนี้ความดีก็ก็เหมือนกันความดีในสามทวารมนโนกรรมกายกรรมวจีกรร ม, รรมความดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วความดีอื่นที่มันจะเกิดขึ้นมามันก็จะเกิดขึ้นมาตามหนึ่งมันก็เป็นสองข้าพเจ้าจะพยายามต่อเติมให้เจริญ ง, งอกเกยงอกงามจะทําความดีไปเรื่อยๆ เพราะว่าผลแห่งความชั่วผลแห่งความดีผลแห่งความชั่วมีแต่ทำให้ตนเองเดือดร้อนพุนวายมีแต่ทำให้ตกต่ำแต่ผลของคุณงามความดีนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุกไปณสถานที่ใดใครก็ยกย่องเชิดชูบูชาเพราะความดีเพราะนั้นข้าพเจ้าแต่จะทำแต่กรรมดีความดีเท่านั้นนี่แหละถ้าว่าพวกเรามาถึงปีใหม่นะ พวกเราคิดอย่างนี้ทบทวนอย่างนี้หลวงพ่อว่านั่นแหละเราพวกเราจะมองเห็นทางเดินทางไปแต่วันไหนก็วันเก่ามันผ่านไปก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็จบเพียงแค่นั้นเพราะนั้นเมื่อจบเพียงแค่นั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ผ่านผ่านวันเดือนคืนเดือนปีไป มีแต่พอถึงปีใหม่ก็เฮฮ า, าการกินเหล้าเมายาเนะ่มันมีแต่ทำความเสียหายแปลว่าไม่คิดไม่อ่านไม่ได้คิดมองถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ได้คิดถึงมองอนาคตเออมันเพียงแต่ยั่เยียบไปเฉยเฉมันมองโดยแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะได้มาศึกษาหลักธรรมคาสอนที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนะี่ยว่าหลวงพ่อศึกษามาอย่างไง ในแถวแถวของพุทธศึกษามายังไงจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ประสบประการมายังไงที่ไอหลวงพ่อมีอายุยืนยาวาถึงขนาดนี้เพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อจึงได้นำแนวความคิดต่างๆมากับมาบอกมาแนะนำสำหรับศรัทธายาโยมพระเนนลูกหลานทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังจากนั้นก็อย่าลืม เ, เมื่อเรามองเห็นทุกด้านแล้วกันนะชีวิตของเรามีจุดจบ พูดอย่างนั้นได้อีกเถนะเออมันจะหลงยาหลงนะใจนะยาหลงนะมีจุดจบนะชีวิตนะ อ, อีกไม่รู้ว่าวันไหนละ เ, เคยเห็นไหมเด็กตาย เ, าเด็กหนุ่มตายาคนกลางคนตายาแล้วก็คนแก่ตายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นแก่แล้วก็ต้องตายทุกคนใช่ไหม เ, เพราะนั้น คำนี้นะไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะให้ลูกเห็นตามความเป็นจริงนะใจนะมันจริงไหมเลือโกหกตัวเองอันไหนโกหกว่าตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นแหละโกหกตัวโ ط, คตคําโตแต่บอกตัวเองจะตายนั่นแหละเป็นความจริงนี่แหละพอโลกทุกวันนี้มันมีมากหลากหลายเหลืเอเกินนะลูกหลานนะพวกเราจะฟังคําไหนเขาก็อ้างเหตุผลใครอ้างเหตุผลมั น, มน เพอรอเขายังบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยปิดกั้นสิทธิมนุษยชนเพราะเขาอยากจะทาความชั่วกับไปเรื่องของเขาเนี่ยถ้าไปห้ามเขาทำไม <laughs> ฟังโดยสิลูกหลานลูกหลานพอใจไม่อย่างนั้นสิทธิมนุษยชนถ้าหากว่าเขาอยากจะทำความชั่วไปห้ามเขาทำไมเข า, าจะทำเป็นสิทธิ์ของเขาเเเพวกเราคิดดูสิขนาดใจของเราถ้าอยากจะทาความชั่วก ไปห้ามมันทำไมใจของเราจยกจะทำความชั่วก็ทำสิผมเป็นสิทธิทมนุษย์ชนดูสิมันไม่มีขอบเขตเตลิดเปิดเปิงไปแล้วนี่ยนะโลกทั้งโลกมันจะแตกนรกมันจะแตกมันจะเป็นลักษณะนี้แหละลูกหลานให้ฟังเอาไว้เอาต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี้นะ